คุณอย่าได้คิดมากอยู่ร่ำไปว่าเป็นเหตุกระตุ้นกิเลสผู้อื่นหรือไม่ก็จําเป็นต้องทําผิดศีลข้อโน้นนนิดข้อี้หน่อยรักแท้ไม่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางความสับสนฉันใดสติอันบริสุทธิ์ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นท่ามกลางความเคลือบแคลงฉันนั้นขอเพียงใจคุณแน่วแล้วว่าจะเจริญสติเสมอ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 ความไร้มนทินอันอยากเรียบปานความสรารวิมนแองผู้รู้สุดแห่งยอดรู้องค์สัพพันยูเองรู้เฉพาะตนตอน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 ถึงขั้นทำไม่ได้ถึงมากถึงผลจริงหรือเปล่ากรรมที่ปิดกั้นมรรคผลอย่างเด็ดขาดแบบที่คนสมัยนี้ทำกันได้มีแค่สี่ข้อครับคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์หรือเป็นสงที่ทำให้สงแตกกันนอกนั้นต่อให้เคยฆ่าคนเป็นเบือ่อก็ยังพอมีสิทธิกลับลาเจริญสติจนถึงมักถึงผลได้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 แต่คุณจะถูกลูกค้าคาดคั้นให้ตอบทุกคำถามของพวกเขาเสมอเพราะในมุมมองของลูกค้าหมอดูคือผู้มีอาชีพรูอ้อนาคตลูกค้าจะไม่พยายามเข้าใจเลยว่าแม้แต่นอสตราดามุสก็ไม่ได้รู้อะไรทั้งหมดคนที่รู้ทั้งหมดมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้ น, มมนเมื่อถูกคาดหวังสูงจึงต้องพยายามตอบให้ได้หรือแนะนำให้ดี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 ปรับปรุงนิสัยที่เป็นต้นเหตุของทุกทางใจบ้างคลื่นความสงบใจที่เกิดกับพวกเขาย่อมย้อนมาเป็นความผาสุขให้ชีวิตคุณเอง 5. ต้องพาให้ลูกค้างมงายโดยปริยายถ้าบอกลูกค้าว่าคุณรู้อดีตและอนาคตของเขาได้จากดวงดาว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 นี่เป็นรายละเอียดที่ต้องศึกษามากมีประสบการณ์ตรงมากจะค่อยๆเห็นวิธีแนะนำคนแต่ละแบบไปเองครับบทความโดยดังตริ น, นจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่37 เสียงอ่านโดยโจโ ช, โชหรือธานสรต ร, รีโสภามันเกิดกะฉันได้ยังไงสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้องโหกขใครที่ไนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอ สิ่งที่เธอต้องทุกต้องคนดูไร่เหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวเอในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั้นเองอยางให้ลองดูเรื่องกัร การกดทำของเธอไม่คิดในใจอาจคอยส่งผล ไ, ไร้ร้ายอาจลึกลับแต่มั่นคงกับการส่งผลของกันก็ทำอะไรทำดีหรือไร